พระธรรมเทศนาแผ่นที่84ลำดับที่8โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุรุธานีแสดงธรรมในวันที่29ตุลาคม2558มีชื่อเรื่องว่าใช้หลักธรรมนำหน้าความคิดเห็น พระของเราห้าสิบสองลงมาฉันสาสิบเก้างดฉันสิบสามเหมนนี้พระงดฉันสิบสามองค์วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบเก้าตุลาคมพุทธศักราช2558ห้าอห้าสิบแปดวันนี้พออสุจิตทำบุญอุทิศสวนกุศลให้คุณพ่อสำริศ ชำนาญรบอุทิศให้คุณแม่เกสอนชำนาญรบอีเป็นพ่อแม่อุทิศสวนกุศลให้ขณะที่เมื่อพระสงฆ์ให้พรแล้วก็อุทิศสวนกุศลให้สองตายายนะพ่อพ่ อ, อสุจิตเนี่ยเป็นมหานีมหาทักษะประโยชน์ ก, ก็ผลนะเจ้าพ่อทูกชัยยังบอกเก่งเลยไหม เป็นลูกมหามหาเจ็ดประโยควันนี้หลวงพ่อจะได้ลงกรุงเทพนะคณะนะสัท ธ, ธาญาติโยมโลูกหลานก็คงจะรงช่วงบ่ายๆนั่งเครื่องจากสนามบินอุดรไปคราวนี้ไปเพียงคืนเดียวนะแต่ตามไม่จริงงานในวัดของเราก็เตรียมกระถินกระถึงยังไงก็มอบให้ทั้งกูบาทั้งหลายนะ ทุกองเลยช่วยๆกันดูนะพวกรถราอะไรถ้าหากว่ามีค่าใช้ใจ่ายอะไรเกิดขึ้นก็ให้พวกท่านปรึกษากันเลยเหลายหวัวใจแล้วปรึกษากันก็ตัดสิ้นใจเลยแล้วค่อยมาเสนอคณนะกรรมการเสนอหลวงพ่อนะไม่ใช่ไปหลวงพ่อไปอะไรก็ตัดสิทธิ์หมดไม่ใช่นะให้พวกท่านทั้งหลายพิจรารณาด้วยเหตุผลให้เหมาะสม ในการดำเนินงานอย่าให้เกินกรรมฐานเราเป็นพระป่าเราเป็นพระกรรมฐานก็อยู่ในกรอบถึงจะยังไงยังไงก็ต้องอยู่ในกรอบหลักธรรมพินยัยกรอบของกรรมฐานจะให้เกินไปอ ย, อย่าให้เวอรเกินไปอย่าให้จนถึงกับว่าหล่มแหลมเกินไปก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นอีกความเหมาะสม สรุปแล้วก็คือนะพวกเราท่านทั้งหลายได้มาอปณิปัติปฏิบั ต, บ ต, บติอยู่นานขนาดนี้ควรจะอ่านออกแล้วพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานของเราเนี่ยเดินยังไงถึงจะ ก, ก้าจะเดินยังไงก็ไม่ให้ลืมตัวถือว่าเราเป็นพระลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเราเป็นผู้ขอ เราไม่ใช่ผู้ทำมาค้าขายหากำไรไม่ใช่เราเป็นผู้ขอการที่การจะใช้อะไรก็ตามต้องมองในฐานะผู้ขอผู้ขอเขาในเมื่อเราขอเขาเราใช้เกินตัวมันจะไม่ถูกต้องนะสิ่งเหล่านี้ก็ให้พวกเราทุกท่านนะแต่ไม่ใช่กีดกันไม่ให้มีการตัดสินใจให้พวกท่านทั้งหลายตัดสินใจ ถึงผมจะไม่อยู่แต่ผมกลับมาแล้วก็ผมก็ต้องยอมรับมติสงฆ์ว่าพวกท่านทั้งหลายได้คิดดีแล้วะแต่เนเสียแต่ว่เววาเมื่อคิดแล้วก็จริงอยู่แต่ผมกลับมาผมในฐานะหัวหน้าผมก็พร้อมที่จะทวงติงได้เอออันนี้ถึงจะเป็นพวกสงฆ์ลงมติก็เถองเกินไปนะพวกเราท่านทั้งหลายนะหลวงพ่อก็จะให้แนวความคิดอีกเหมือนกันพราว่า หลวงพ่อศึกษากับพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาอย่างไงก็จะถ่ายทอดให้พวกท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาได้ปฏิบัติ เ, เ, เพราะนั้นถึงผมจะไม่อยู่หลวงพ่อไม่อยู่ก็ให้พวกท่านทั้งหลายช่วยกันพิจารณาเน้อเรื่องการเรื่องงานทำไมาอย่างนั้นมันจ ะ, ะ ด, ดุดพอไม่กี่วันข้างหน้าแต่หลวงพ่อลงไปก็ไปด้วยกิจธุระ ศรัทธาญาติโยมผู้ที่รู้จักมักคุ้นผู้ที่มีอุปกรณคุณต่อพระพุทธศาสนาที่ลงไปคือโยมคุณแม่เขาเอมามรณะนะคุณแม่คุณคุณแม่คุณสมบัติสมบัติเฉลิมมุตินั้นผู้ที่ถวายเงินร้อยล้านที่จะสร้างเจดีย์หลวงตานั่นแหละแล้วก็ถวายที่ดินถวายกฐิน ปีหนึ่งก่อ น, อนที่หลว ง, งตาจะจุตินิพพานไปกถวายทั้งสามสิบกว่าล้านนะถวายหลวงตาไม่ใช่ถวายพัดเราแต่ที่อย่างไรเราก็ในฐานะเป็นลูกๆของหลวงตา เ, เมื่อพี่น้องวงสาคณญญาตให้การสนับสนุนพ่อหลวงตาพวกเราในฐานะลูกหลานก็ให้ความสําคัญเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้มีพระคุณต่อพระพุทธศาสนา ดังวันนี้ก็คงจะลงไปหลายองค์อยู่มั้งที่รู้จักมักคุ้นกันแต่หลวงพ่อลงไปแล้วก็คงจะไปพักที่สวนแสงธรรมแล้วก็คงจะฉันจังหารที่สวนแสงธรรมวันพรุ่งนี้พอฉันจังหารเสร็จหลวงพ่อก็คงจะกลับขึ้นมาเพราะเป็นห่วงทางวัดอยู่ทางวัดของพวกเรากเนยประชุมกันไม่รู้กี่โหนเมื่อวานกัประชุมในสระภายในวัดแล้วก็ออกไปข้างนอกกประชุมกับทางในอำเภออีก โปรภะนะแต่หลวงพ่อไม่ได้ไปชุมด้วยกับทางนายอำเภอทางส่วนราชการในอำเภอใครใช้สรุปแล้วก็คือให้มีการเตรียมพร้อมในหมู่ในคณะไม่เผื่อไม่ให้ขาดตกบกพร่องในการงานในการรับเสด็จในข่าวนี้ครั้งนี้นะแต่ถึงยังไงก็ขฝากไว้กับพวกเราทุกๆคนการทํางานทํางานหลายคนทํางานเป็นทีม ทีมที่จะเด่นดังได้ก็ต้องมีความพร้อมเพียงสามัคคีถ้าว่าทีมแตกสามัคคีกันเมื่อไรก็เมื่อนั้นลหละความหายนะความไม่ดีไม่งามก็จะเกิดขึ้นในในทีมของพวกเราเพราะนั้นเรื่องความพร้อมเพียงเรื่องความสามัคคีคิดช่วยกันทำช่วยกันปรึกษาปรารพกันนี่แหละถึงจะงานต่ยุ่งยากขนาดไหน อยู่ในธรรมอิทธิบาทตอิทธิบาต ท, ที่หลวงพ่อได้พูดเมื่อวานนี้อิทธิบาตสี่คุณเครื่องให้สําเร็จความประสงค์สี่อย่างฉันทะวิรยิยะจิตตาวิมังสาถ้าทำสีอย่างอยู่ในชุมชนกลุ่มใดชุมชนกลุ่มนั้นแหละจะสําเร็จสมความมุ่ง ม, มา่นปรารถนาไม่เหลือวิสัยไม่เหลือวิสัยที่มนุษย์ที่จะต้องทํา วิสัยที่จะต้องมนุษย์ทำได้แหละถ้าอยู่ในอิทธิบาทสี่นี่แล้วางานชิ้นนั้นจะสาเร็จแล้วก็อปริหารนิยธรรมทำเป็นไปเพื่อความเจริญโดยส่วนเดียวไม่เป็นเป็นไปเพื่อความเจริญโดยส่วนเดียวอปริหานิยธรรมนำมันไปชุมกันเนืองนิด เมื่อประชุมพร้อมกันประชุมเมื่อเลิกประชุมพร้อมกันเลิกนะ่ยอันนี้คล้ายๆกับว่าเมื่อมีการงานขึ้นมากัประชุมกันหารือกันแล้วก็แสดงความคิดเห็นเมื่อแสดงความคิดเห็นจบแล้วคือให้จบอย่าไปซบซบซิบซิ บ, ซบอย่าไปติดทากาเลยเอ๊ะในที่ประชุมไม่น่าจะพูดอย่างงั้นไม่น่าจะทําอย่างนี้เอามาวิจารณ์ในที่ประชุมทําไมไม่พูด มันโง่ขนาดนั้นเียวเหลอะไม่กล้าแสดงความคิดเห็นในเมื่อประชุมเสร็จแล้วทาไมทาไมจะมาซุบซบชิบชิบมาออกวงการแล้วจะมาหานินทานัาอีกนั่นนี่มันมีนะเดี๋ยวนี้เมืองไทยของเรามีไม่ใช่แต่มีแต่ขรวาดพระก่อนมีในที่ประชุมไม่พูดพอพูด อ, ออกที่ประชุมแนละ้วออกไปนินทาแต่นิยนทาอย่างงี้ยออกมาหาหลักการเ อ, อการประชุมในคราวนี้ อมันเป็นลักษณะอย่างนี้นะเอแต่ว่าค่าวหน้าเนี่ยเราไปชุมเราควรจะควรจะพูดในเรื่องนี้มันขาดตกบกพร่องอยูนะ่คือหาจุดบกพร่องมันอีกแนวหนึ่งนะเอไม่ใช่มันหาแนวจุดบกพร่องเนี่ยมันนินทากันนะเอแต่แทงหลังกันนะเออคล้ายว่าจะหาพักหาพวกขึ้นมาแล้วกัเ อ, อเพื่อจะเออทําร้ายทําลายกันนะอันนั้นแหละเป็นว่ากิเลส ความชั่วเสียหายอย่างมากๆากอรริหานด้จะทำคํานี้มันประชุมกันเนืองนิดเมื่อประชุมพร้อมกันประชุมเมื่อเลิกประชุมพร้อมกันเลิกและพร้อมเพียงการทำกิจที่สงจะพึ่งทำแล้วก็ไม่ถอนสิ่งที่พูดองค์ทรงบัญญัติไว้สมาทานตามสมาทานตามที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้พิกจุใดเป็นผู้ใหญ่เป็นประธานสงในขณะนั้น เคารพนับถือถ้อยคำของท่านไม่ลุกอำนาจแก่ความความอยากที่เกิดขึ้นยินดีในความสงบนะใครๆมายินดีในความวุ่นวายแตกสมัมาคีกันหาเรื่องหาราวใส่กันยินดีในความสงบเพล็กสูใดที่มาสู่อาวาสแล้วที่ยังไม่มาขอให้มาที่มาแล้วกลับไปขอให้อยู่เป็นสุขเป็นสุข อันนี้ก็คืออภิริหารที่จะทําทำทำเปลยนไปเพื่อความเจริญโดยส่วนเดียวอันนี้ก็คือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกันนะคณะสัตธาญาโยมพระเนนลูกหลานทุกองค์มันถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นให้ประชุมกันหันหน้าเข้าหากันอย่าไปพูดกันคนละทิศทางถ้าคนหันหันหลังใส่กันพูดมันจบไม่เปลี่ยนงานเรื่องนั้นต้องหันหน้าเข้าหากันหานเอาการพูดในที่ประชุม ในเมื่อประชุมจบแล้วก็คือจบเอาตามมตินั้นถ้าก็จะคัดค้านกับคัดค้านในเดี๋ยวนั้นเลยถึงจะไม่คัดค้านก็เอาเถอะอ อ, ออกมาได้คิดได้เออใช่ออกมาเราในช่วงนั้นเราคิดยังไม่ได้แล้วก็เขียนกระดาษเอาไว้ อ, อจากนั้นก็พาวหน้ามาก็เสนอเข้าไปอีกออมันเรื่องหน้าจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะ อ, อ, อันนี้เรียกว่าสร้างสรรนีการหยด้วยการด้วยความสร้างสรรด้วยความ มีความพร้อมเพียงสมัคคีกันอยู่ด้วยกันมากมายขนาดไหนก็ร่มเย็นเป็นสุขถ้าหากว่ามีการเอารัดเอาเปรียบกันมีแต่พักมีแต่พวกมีพักมีพวกแล้วก็มีผลประโยชน์แทรกเข้ามาอีกตัวผลประโยชน์ตัวนี้แหละตัวการตัวผลประโยชน์ตัวนี้มันมันไม่เข้ า, ามันไปไปตามทํานองครองทำและผลประโยชน์ อมันจะออกนอกรูกนอกทางนะ่ะกิเลสนะอกิเลสความโลภตัวนี้เข้ามาแนละ้วผลในสุดจะใช้ความโกรธเพราะความหลงในจิตใจแล้วมันไปได้ทั้งหมดนะ่ะกิเลสราคะโทสะโมหะโลภโกรธหลงในจิตใจแล้วมันมืดบนมันมืดมนอ น, น, นตะการไปหมดนะไม่รู้จักตีไม่รู้จักชั่วไม่จักที่สูงที่ต่ำไม่รู้จักสิ่งควรไม่ควรเพราะกิเลสมันเข้า อยู่ในจิตใจของปุตุชนเป็นผู้มืดบอดปุตุชนแปลว่าผู้มืดบอดผู้มองไม่เห็นทิศทางแห่งแสงสว่างเพรา ะ, ะนั้นพวกเราเข้ามาศึกษาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาศึกษาเพื่อหาแสงสว่างทางด้านจิตทางด้านจิตใจแสงสว่างอันดับแรกคืออะไรพระพุทธเจ้าทันว่าให้มีสติสัมปชัญญะ นี่แนะตัวสติสัมปชัญญะนี่แหละคือตัวตั้งหลักนะในเมื่อตั้งหลักได้แล้วน ะ, ะเมื่อสติมีแล้วก็ใช้ปัญญาในเมื่อใช้ปัญญาออกไปใช้ปัญญาเนี่เราจะเอาตัวไหนมาเป็นปัญญาเราก็ต้องเอาเอาหลักธรรมคำสสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องพิงให้ถ้าอิงหลังไปเลยหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าออถึงยังไงอยาให้หนีจากหลักธรรมเพราะว่า พระพุทธเจ้าท่านยพวกเรายอมรับแล้วว่าสวาขาตธรรมพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วเพราะพระพุทธเจ้าเป็นบรมครูเราจึงว่าพุทธทางธรรมังสังขังสระนางคัตฉามิยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ายึดพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าที่นําพระธรรมคําสอนออกมาประกาศเผยแผ่ เพราะนั้นเรายอมรับระบบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสวากขาตรธรรมตรัสไว้ชอบคนทั้งหลายจะตับไว้ชอบหมดกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนคนก็ระหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาณโมตสสะพุทธังทำ ม, มังสังขังยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นทีพึงเพราะนั้นเราจะคิดเรื่องอะไร อ, อ, อะไรก็ตามเราต้องพิงพิงหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า พิงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าวไว้ไว้จากนั้นเราก็แสดงความคิดเห็นใช้ปัญญาแสดงความคิดเห็นแต่เรื่องนั้นๆมาก็ตามทามันจะเบียดเบียดตนและผู้อื่นไหมเบียดเบียนเขาไหมเบียดเบียนตัวเองไหมจะเป็นเรื่องโกหกหลอกลวงไหมจะเป็นการทำร้ายทำร้ายคนอื่นเขาไหมหรือเป็นการรุ่มหลวงในกิเลสราคะโทสะโมหะไหม นี่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกเอาไว้เป็นกระจกเงาะเอาไว้แล้วเราก็เดินตามถึงยังไงเราพิงหลังหลังทำคำสอนไว้อยู่หลวงพ่อมั่นใจถ้าพวกเราทำอย่างนี้ได้พวกเราจะไม่หลงโลกหลงทางถึงจะพูดอะไรออกไปก็ฟังได้เพราะเราอยู่ในในหลักธรรมคำสอนของพุท ธ, ธะ เพราะหลักธรรมคาสอนของพุทธทาสท่านไม่ให้เบียดเบียนตนเบียดเบียนตนก็ไม่ท่านมาให้เบียดเบียนคนอื่นเท่าก็ไม่ให้เบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบคนอื่นท่านก็ไม่เห้เอารัดเอาเปรียบดูถูกเหลียดหยามคนอื่นเขาอย่างนี้ดูสิเพียงศีลห้าเท่านั้นเองก็ยังทําให้โลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นสุขได้ถ้าคนขาดศีลห้าอย่างเดียวเท่านั้นแหละโลกทั้งโลกเดือดร้อนวุ่นวาย ให้พวกเราถามถามดูทุกกลุ่มทุกหมู่ทุกคณะทุกความผิดทั้งหลายแหละหลักใหญ่ก็คือศีลห้าเนี่ยเป็นพื้นฐานเป็นเป็นหลักถ้าว่าพวกเราเดินออกจากศีลห้าขาดศีลห้าเอาขาดจากจิตใจแล้วไม่มีศีลห้าอยู่ในจิตในใจแล้วนั่นแหละคนคนนั้นแหละหรือว่ากลุ่มนั้นหละไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกัน ไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันเลยละ่ะถึงจะไปด้วยกันสองคนก็เอะแปลว่าไม่ไม่ไว้ใจกันละนะ่ะเพราะอะไรเพราะไม่มีสินถ้ามีสินด้วยกันแล้วนะเออถึงยังไงยังไงก็ยุครบในการซึ่งกนและกันเพราะต่างคนต่างมีสินอย่างไงพวกเราเขคงไม่คิดฆ่ากันนะอย่างไงก็คงจะไม่คิดขโมยกัน อยังไงก็คงจะครบในสิทธิสามีภรรยาซึ่งกันและกันยังไงก็คงไม่โกหกกันเพราะอยู่ด้วยกันถึงยังไงพวกเราคงจะไม่ดื่มของมืนเมาจนให้ขาดจติตแล้วก็มาฆ่ากันเอเราพวงกทม พ, พวกเราคงไม่ทำเพราะอะไรเพราะพวกเรามีสินมีศินเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจกันเป็นผู้มีสินด้วยกันนี่แหละศินมันคุ้มสินนะคุ้มของโลกให้ร่มเย็นเป็นสุข ศีลเป็นเครื่องทําให้พวกเราไว้เนื้อเชื่อใจกันฉินให้เป็นที่ยอมรับกันในชุมชนสังคมประชาคมโลกถ้าเป็นผู้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมดีแล้วนะโลกทั้งโลกจะร่มเย็นเป็นถูกทุกวันนี้ที่พวกเราพูดอะไรกฎหมายฉบับไหนออกมาเอาเขียนดีขนาดไหนออกมาแต่มันมีเล่เหลี่ยมของกิเลสนะเออมันมองอีกมุมนึงเออมันไม่ใช่มอมุมมองมุมนั้น มันมองอีกมุมหนึ่งมันมองมุมแบบกิเลสกิเลส ก, ก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะแหลมคมเหมือนกันนะเพราะเหตุไรเพราะเอตัวใจตรงนั้นนะมันเพ่งมองออกไปออกไปทางกิเลสนะมันไม่ได้เอาทางธรรมถ้าทำเอาธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านํามาพิจารณาแล้วเอาไปคิดอันนั้นอันนั้นมาเป็นธรรมร่มเย็นเป็นฉุกท่วนหน้ากัน ถ้าเอากิเลสมาคิดเนี่ยมุมเอากิเลสเข้ามาเอเบียดเบียนเข้าไปยังไงถึงจะอารัดเอาเปรียบเขาได้เอาไงถึงจะชนะเขาได้ยังไงเราจึงจะหักล้างเขาได้ยังไงเราเขาจึงไม่เอาเปรียบเราได้เออเนี่แหละคิดมุมนี้ขึ้นมาทีนี่เออไม่รู้ว่าเบียดหมุนกลอนกระถาไม่รู้ว่าเรื่องอะไรตัวมิอะไรไม่รู้ว่าวิ่งไม่รู้ว่าเต้นไม่รู้ว่า หาจะมักภาคพวกไม่รู้นักกฎหมายไม่รู้อะไรเออมันลุ ม, มาตุ่งขโมยนั่นแหละแต่นี้จะหาความสงบร่มเย็นเป็นถูกได้อย่างไรถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นสรุปแล้วก็คือรู้แก่ใจของพวกเราเรียนมาศึกษามาเป็นผู้ใหญ่ถึงขนาดนี้แล้วอายุมากถึงขนาดนี้แล้วศึกษาธรรมะศึกษาทางโลกหมามากขนาดนี้แล้วรู้ไหมดีรู้ไหมชั่วคิดดีรู้ไหม ทำดีรู้ไหมพูดดีรู้ไหมถ้าหากว่าไม่รู้กระทงว่าคิดดีทำดีพูดดีก็ไม่รู้จะพูดยังไงอีกละนะ่ะเนี่ยพอมันไม่รู้มันโง่แต่ถ้ า, าว่ารู้ทางรู้แต่ว่าคิดไม่ดีการกระทาก็ไม่ดีรู้ทางรู้พูดก็พูดไม่ดีอันนั้นแปลว่าเป็นเบี้ยร่างของกิเลสกิเลสความโลภ ก, กิเลส ค, ความโกรธกลเลส กิเลสความหลงในใจิตใจมันมั่วมันมัวเมาลุ่มหลงไปหมดมันก็ช่วยไม่ได้อีกเหมือนกันอย่างพระเทวทัตนี่รู้ทั้งรู้ว่าตัวเองทำไม่ถูกเออแต่ก็อยากจะเป็นพระพุทธเจ้าแทนพระพุทธเจ้าเพราะมักใหญ่ไฟสูงลืมตัวเออจนจนถึงป่วยเข้ามาลูกน้องเอา เขาก็แทกหน้าอกอาเจียนเป็นเลือดนะนอนกับเตียงอะไรตนี้ไปไม่ได้ออโอ้ยพาเราไปกราบพระพุทธเจ้าด้วยเถินลูกน้องเอ้ยไปยังไงตัวเองเมื่อยังมีชีวิตอยู่ไม่รู้ทำความโชัไม่รู้กี่อย่างปล่อยช้างนาลาคิลิงกว่าใช่จ้างนะนายขมังธนูไปยิงพระพุทธเจ้ากว่าใ่มันมีเรื่องราวตั้งหลายเรื่อง แล้วมาอย่างนี้แล้วออยังจะไปกราบพระพุทธเจ้าอยู่เหรอยะไปหาท่านไปหา้าหาศพพระพุทธเจ้าอยู่เหรอไม่พาไปโอ้ยพาไปด้วยเถินพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมเออท่านออรักพระลาหุนอย่างไรท่านคนรักคนทุกในโลกเหมือนกันทั้งหมดพระพุทธเจ้าเออเหมือนกับ เป็นแม่น้ำํำถึงจะคนชั่วเจ้าชั่วช้าเรวซามขนาดไหนก็เถอะลงไปอาบน้ําน้ําก็ไม่ว่าอะไรคนดีขนาดไหนลงไปอาบน้ําน้ําก็ไม่ว่าอะไรน้ําก็คือน้นะําเป็นกลางพระพุทธเจ้าพระไทรของพระพุทธเจ้าเป็นกลางถึงขนาดนั้นแหละนัะ่นก็รู้อยู่แล้วล่ะโค้ ง, งสุดท้ายยอมรับว่าพระไทรของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมจริง เออจากนั้นก็ขอให้เข้าไปขอให้ได้ไปกราบพระพุทธเจ้าขอโอหสีนะเออจนไปถึงหน้าวัดป่าเชตวันแผ่นดินแยกเท่านั้นแหละเทออ ว, วทัศน์ลงไปถึงแค่ขอนะออแผ่นดินสูบลงไปถึงขอยังจะขากันไกข้างนะออขากรรไกออข้าง ข้าพระพุทธเจ้าได้ประมาทพลาดพังพระพุทธเจ้าด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจถิ้งทั้งหลายทั้งปวงที่ข้าข้าพรเจ้าได้ทํามาข้าพรเจ้าเป็นผู้โง่เป็นผู้รับผิดนะครขอพระองค์จงโปรดอโหสิกรรมให้กับข้าพรเจ้าด้วยเทินปฏิวทัติลงไปจนแผ่นดินสูบถึงคอแล้วยังระลึกระลึกถึงได้ เราถึกว่าตัวเองผิดจากนั้นก็แผ่นดินก็โูบลงไปเลยอยู่ในเอเวจีมหานรกนี่แหละถ้าว่าเทวทัตพระเทวทัตไม่ระลึกถึงไม่ขอขมาลาโทษเลยไม่เห็นอย่างไม่เห็นโทษของตัวเองเลยพระเทวทัตจะไม่ได้รับพยากรจะไม่ได้รับว่า อนาคตจะเป็นยังไงแต่นี้เนี่ยพระเทวเทัตเห็นโทษนะพระพุทธเจ้าเทวทัตเห็นโทษ อ, อต่อไปเนี่ยเมื่อเขาใช้ตกนรกเอาเวจีมหานรกผ่านมาแล้วต่อไปเขาจะได้เกิดไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแลอวแต่ชาติสุดท้ายเขาจะได้เกิดเป็นพระปัิเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่ง mm hmm. ในอนาคตแต่รับพยากรเหมือนกันนะก็ยังดีกว่าพวกเราน呐ะ พวกเราุไม่ล่วงใครจะได้รับพยากรณหมังเทวทัตยังได้รับพยากรณ์จะได้เป็นพระปฏิจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตเนะี่ยเพราะว่าระลึกถึงยอมรับว่าตัวเองได้ทําความชั่วนี่แหละอย่างมาเปรียบเทียกับพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันรู้ไหมชั่วเออเรือดยาเรื่องล้าหญิงยิ่งกว่าเทวทัตอีกนะ เทวทัตถึงดุร้ายขนาดนั้นเทวทัตก็ยังรู้ว่าความชั่วนั้นคืออะไรเ อ, อ่ท่านยังยอมรับได้เพราะนั้นพวกให้เราให้โอภนัยิโกนะมองตัวเองสิ่งไหนที่มันชัว่วอย่าทำอย่าคิดถ้าคิดแล้วก็อย่าทำถ้าทำแล้วอย่าพูดเออยอย่าคิดอย่าทำอย่าพูดในสิ่งที่มันชัว่วถ้าคิดทำชัว่วลงไปแล้วกรรมชัว่วให้ผลนะัน ตนเองนั่นแลจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังอพระเทวทัตในขณะที่ทํำมันไปเรื่อยเพื่อจะเอาชนะพระพุทธเจ้าแต่พอสุดท้ายนั่นแหะกรรมชั่วให้ผลแล้วนะจริงยอมสารภาพก็ยังดียังเหตุโทษนะเอแต่พวกเราท่านทั้งหลายบางคนอาจจะไม่เห็นโทษตัวเองต่างหากยังดันทุกลังว่าทุกคนอื่นผิดอีกต่างหากเพราะมันไม่เห็นโทษเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะอันนี้คือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนา หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าสรุปแล้วก็คือให้มองตนเองให้มองตนเองเราทําผิดเราคิดผิดหรือเราทําผิดหรือเราพูดผิดถ้าเรามองตัวเองอยู่อย่างนี้โดยสม่ําเสมอนะแล้วก็ใช้หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเป็นพนักพิงแล้ว่าเป็นที่พิงดูเบื้องหลัก แล้วคนใช้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะนำมาประพฤติปฏิบัติเป็นแนวทางชีวิตของพวกเราชีวิตทั้งชีวิตของพวกเราก็จะราบรื่นไปในทางที่ถูกต้องไปในทางที่เป็นธรรมวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดแนวหนึ่งให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาอตอนนี้ไปรับพร